ถ้าหากว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปแล้วก็ต้องแก้ไขในเรื่องการศึกษาแล้วก็ปัจจัยสี่ที่บังลุงพระสงฆ์ให้มีการศึกษาดีขึ้นแล้วก็ให้ท่านได้มีสาธา ร, รณกิจปฏิบัติเนี่ยมากๆแทนที่จะบูดเข้ามาแล้วก็ชันนอนชั้นนอนอเฉยเฉยก็ให้ท่านเนี่ยรู้จักทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็แก่สังคมมนุษย์ก็คงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ถ้าหากว่าไม่แก้อย่างนี้แล้ว ก็จะยิ่งมีมากขึ้นและจะมากขึ้นตามลำดับซึ่งเราจะทราบได้ว่าเวลาเนี่ยหนาหูหนาตา ม, มากขึ้นอันนี้เกิดมาจากปัญหาเรื่องปัญญาสีทั้งนั้น <c oughs> อาชีวะปริสุธทธิ์สี น, นี่พระพุทธองค์ได้ตรัสัเรื่องสี น, นั้นเนี่ยไว้โดยละเอียดมากท่านบอกว่าถ้าภริสุรูปใดประพฤติปฏิบัติอันมีอกหนาเป็นต้นภริสุรูปนั้นนะชื่อว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพในทางที่ผิดคำว่าปูหนาเนี่ยคือเป็นคนล่อลวงประพฤติอย่างคนล่อลวงที่เป็นมิจฉาอาชีพประพฤติหุจคนล่อหลวงก็คือเป็นผู้ที่วางท่าวางทางมีท่ามีทางเช่นวางท่าทางบัานเนี่ยเป็นพระอารหันต์เป็นผู้เคร่งครัดมากมีอาจารยเรียบร้อยต่าง แต่ว่าการกแสดงออกที่เป็นขูกหนาอย่างเนี้เป็นการหลอกลวงชาวโลกเขาเพื่อจะเอาโลกทั้งหลายเน้เกิดความเลื่อมใสบางทีก็หลอกลวงในเรื่องการนุ่งผมความเป็นอยู่กว่าฉันเนี่ยมีความสนโดนมากก็เป็นอยู่อย่างเนี้เป็นคนมัก น, น้อยอะไรต่างๆญาติโยมก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยเรียกว่าขุกหนาคือแม่ประพฤติเป็นคนล่อลวง จะล่อลวงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามก็จะ ก, ก็เป็นกุหณาทั้งนั้นข้อสองรัปรนารัปรนานี่คือการทักทายก่อนหรือพูดหวดพูดเอาใจพูดยกยอเช่นหนึ่งประสงค์เห็นญาติโยมก็ทักญาติโยมก่อนซึ่งการทักก่อนเนี่ยถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายไม่พอใจก็ถือว่าเป็นการผิดเหมือนกัน เช่นสมมุติว่าโยมจะอัตมานี่ยสมาทิโยมก่อนแทนที่โยมจะทักอัตมาว่าเป็นไงท่านสบายดีหรืออัตมาก็จะทักโยมว่าโยมไปไหนมาสบายดีหรือการทักก่อนอย่างนี้มันมีจุดหมายอยู่หลายอย่างคือการทักก่อนเพื่อเอาอกเอาใจก็มีเพื่อเอาใจให้ญาติโยมเกิดศรัทธาเรื่อมใสถ้าว่าไม่ทักก่อนโยมก็ไม่เลื่อมใส ว่าแหมท่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทักเราหรอกเพราะว่าเราเป็นคนยากคนจนอะไรต่างๆท่านไม่ค่อยสนใจอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าทักก่อนก็ผิดสิงถ้าไม่ทักก็ผิดเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้ด้วยว่าถ้าเผื่อว่าไม่ทักโยมก็ต้องทักก่อนทักพระท่านก่อนได้พระทักทักโยมก่อนรีบทักท่านเนี่ยเรียกว่าละปัญาทีนี้คาพูด พูดอวดนี่คืออวดอวดคุณภาพของตนเองว่าเนี่ยอาตมาเนี่ยเก่งนโยมนะเก่งแล้วก็แม้ดูสิพระราชาก็ยังเลื่อมใสาอาตมาเลยรัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี้ก็เลื่อมใสาอาตมาในคนคนนั้นคนนี้ก็เลื่อมใสบางทีที่หนักข้อไปกว่านั้นก็เอารูปท่านคผูหลักผู้ใหญ่ไปติดไว้หน้ากุฏิแล้วก็มี อย่างเนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอวดอวดอ้างคุณวิเศษต่างๆหรือบางทีก็เอาใจบางทีก็ยกยอแม้ไม่ได้พบกันนานเห็นที่ใดก็เป็นสาวขึ้นทุกทีทุกทีอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเป็นเป็นลักษนะคือเป็นการพูดชนิดที่ <c oughs> ยกยอ ยกยอก็เพื่อหวังผลคือหวังลาบส ก, การะพระโยมบางคนก็ชอบอย่างนั้นจริงๆถ้าพระไม่ยอกว่ารู้สึกว่าจะไม่ศรัทธาแต่พระเอาไหนย่อมากๆเอาเข้าใจมากก็รู้สึกศรัทธารื่องใสมีปรนะเภทเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยกยอแล้วไม่ศรัทธาความจริงแล้วผิดศีลในข้อละกันมา ข้อที่สามนิมิตติกตานิมิตติกตานี้แปลว่าการแมะหรือทำนิมิตเครื่องหมายหรือพูดเคาะเช่นท่านยกตัวอย่างในวิสุทธิมาร์สมาท่านบอกว่าถ้าสมมติว่าพราะเนี่ยเดินสวนทางกับโยมคนหนึ่งโยมคนนี้ก็แบกอ้อยมาลำหนึ่งพระท่านก็จะถามโยมไปไหนมา โยงก็บอกว่าวันนี้ไปไร่อ้อยมาก็เลยแบกอ้อยมาลำเลยแหมอ้อยที่ไร่คงจะหวานดีนะอย่างเนี้ไม่ได้เราพูดขอคือเพื่ออยากจะฉันอ้อยนั่นเองแต่ว่าจะขอตรงๆก็น่ารื่นอ้อยที่ที่ไร่คงจะหวานดีนะโยงเออพระคุณเจ้านะบูดถ้าจะชอบฉันอ้อยก็เลยเอาอ้อยไปถวายอย่างเนี้เขาเรียกว่านิมิตติกระเป๋า หรือบางทิโยมไปเยี่ยมที่วัด <c oughs> แมโยมหมู่นี้ไม่เคยมีโยมมาทําบุญเลยไม่เคยมีโยมมาเยี่ยมเยียนแม้หน้าเนรอดอดเป็จอย่างอย่างนี้เขาเรีว่าพูดเป็นนิมิตเพื่อให้โยมเี่ยไปทําบุญ <c oughs> ลําบากนะโยมนะเพราะว่าเรื่องของศีลที่เป็นอาชีวะปริสุขที่ศีลนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดศีลผิดศีลข้ออาชีวะปริสุขที่ศีล เนี่ยพูดเคาะคอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าเนมิติกตาทีนี้ประเภทนิปเปศิกตานิปเปศิกตาเนี่ยคือการดา่าการพูดข่มขู่ตีเตียนหรือว่ายกตนเองให้สูง <c oughs> ประเภทนี้ใช้อำนาจบาดใหญ่คือใช้อำนาจเช่นอย่างเจ้าคุณมังอกรท่านก็พูดเสียงดัง ดูยมงโน้มเงินไปเด็กกระดูเสียงเขียวหมดไม่ได้่ประเภทที่เรียกว่านิบเปศิกตาประเภทการด่าหรือพูดขบ อ, อันนี้ผิดศีลในข้ออาชีวะปาริสุทธิศีลตลอดจนเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาเช่นการต่อลาบ้วยลาการต่อลาบ้วยลานี้ก็คือการค้าขาย โดยพระเนี่ยไปดําเนินการค้าเองอันนี้ก็ไม่ถูก <c oughs> เช่น อ, อบางทีก็ขายเครื่องรางของขลังว่าองนี้โยมต้องห้าสิบบาทนะองค์นี้ต้องร้อยบาทเพราะว่าคุณภาพดีหน่อยองค์นี้ต้องท่านั้นเท่านี้บาทคือเป็นการขายเครื่องรางของขลังไปหรือบางทีก็ขายของเก่าบางทีก็ขาย ขีน้ำชาบ้างเครื่อง้ายคลามบ้างแล้วพุทธรูปเก่าๆบ้งางที่เียก็เป็นมิจฉาอาชีวะซึ่งก็จัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ถูกาการต่อราดด้วยราก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะว่าผิดวิสัยของพระสงฆ์ที่จะไปปฏิบัติอย่างนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าจะเป็นการสงเคราะห์ในด้านอือก็ไม่ผิดศีล ยอาชีวะปริสุธทธิ์ทศีลนี้ท่านได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมาหนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยท่านอาพาพมากโรคชริดเนี่ยเป็นโรคที่ท่านเคยเป็นมาสมัยเป็นค า, ารวะเพราะตอนบวชก็เป็นโรคนี้ขึ้นอีกคือปวดท้องและสมัยเป็นค า, ารวะเนี่ยเขาเปื่อยท้องแลว้วจัดข้าวมตุปายากหาย โดยโยมของท่านเนี่ยทําให้ฉันก็หายวันนั้นปวดท้องมากตอนเย็นพระโมคคัลลานะก็ถามว่าสมัยก่อนเคยปวดนะ่ะกินอะไรหายพระสารีบุตรก็บอกพระโมคคัลลานะว่ากิกนไอ้นั่นกินไอ้เนี่ยหายพระโมคคัลลานะก็ดรำพึงว่าเออพรุ่งนี้เราบินถบาทขอให้มีโยมใส่ข้าวปลาญากถึงน่ะ จะได้มาถวายพระสารีบุตรให้ฉันจะได้หายจากเวทนา ท, ทีหนึ่งระหว่างที่สนทนากันอยู่เนี่ยลูกเทวดาได้ยินได้ยินพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานาเนี่ยสนทนากันอยู่ลูกเทวดาอะไรเกิดศรัทธาว่าเอเราจะต้องให้เชาวบ้านนำข้ามันทุกบายาถวายพระโมคคัลลานะลูกเทวดานี่ก็ไปเข้าไปสิงสู่ลูกเจ้าของบ้านบ้านหนึ่ง แล้วก็บอกว่าต้องเอาข้าวมาทุุปายาสใส่บาตรมิฉะนั้นแล้วจะไม่ไปจะสิงอยู่อย่างเนี้ยใส่บาตรพระโมคคัลลานะเจ้าของบ้านก็บอกว่าเราก็ใส่บาตรทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นเลยฉะนั้นขอให้ท่านไปเถอะพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรให้แล้วก็เตรียมข้าวมาทุุปายาสใส่บาตรให้กับพระโมคคัลลานะ พระโมคคัลลานะพอรับข้าวมรุภะยากมาก็เอามาถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็พิจารณาว่าเออาหารเนี่ยได้มาอย่างไรก็สืบสาวราเรื่องไปว่าเทวดาไปเข้าส่งเด็กแล้วก็บังคับให้ชาวบา้านเนี่ยใส่บาตรเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบทมท่านเป็นพระอราหันต์ท่านก็รู้พอพระโมคคัลลานะนามาท่านก็บอกว่า เอมัุปายาคเนี่ยเป็นของที่ไม่ควรบริโภคได้มาไม่ชอบทำเราไม่ฉันะนะเพียงพูดแค่เนี้พระโมคคัลาน้ำคว้าบาตรคว้าลงข้ามาัทุปายาคก็ไหลลงสู่พื้นดินนับกระแต่ขนาดน้นเป็นต้นมาพราะสารีบุตรก็หายเป็นปิดทิ้งทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ฉันแต่เพราะจิตเนี่ยยึดมั่นในอาชีวะพาริสุทธิ์ที่ถึว่าเราจะไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิด แม้ว่าเราเนี่ยจะปวดท้องจนกระทั่งไส้ไหลออกมานอกท้องเราก็จะไม่ยอมเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเรายอมตายดีกว่าที่จะเลี้ยงชีพในทางที่ผิดผิดเพราะสุดท้ายท่านก็หายตั้งแต่บักนั้นมาโรคชนิดนี้ไม่เกิดกับพระสารีบุตรนี่เป็นอนิสงส์ที่ได้จากการยึดมั่นในอาชีวะปาริสุขที่สิ็นแสดงให้เห็นว่า พระสารีบุตนั้นท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศีลข้อนี้มากไม่ยอมประพฤติปฏิบัติร่วงระเมิดในอาชีวะประิสุทธิศีลเนี่ยถ้าหากว่าการประพฤติปฏิบัติอันใดที่เป็นไปในทางที่ผิดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองแล้ว <c oughs> ก็จักว่าเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นท่านห้ามมให้ประสงค์สาวกนี้ ได้เลี้ยงชีพในลักษณะเช่นนั้นจะเป็นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกเป็นวิจฉาชีสแสดงให้เห็นว่า <c oughs> ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นี้ท่านเป็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์คือเลี้ยงชีพในทางที่ถูกไม่ให้เลี้ยงชีพในทางที่ผิดนี่เป็นเป็นหลักปฏิบัติใน ในสิกขาบทขอ้อนี้ซึ่งเป็นปริสุธทธิศินข้อที่สามสำหรับพริสุธทธิศินข้อที่สี่คือจะถูกปฏิญสัมนิติตาสินได้แก่ศีลที่ประสงค์ทั้งหลายด้วพิจารณาจะถูกปัจจัยสี่ด้วยดีแล้วจึงบริโภคปฏิยาสัมนิติตาศิลนี้ก็คือศีลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยปัจจัยสี่เนี่ยเช่นอย่าง อาหารการขบฉันเครื่องนุ่งผงยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสี่ที่พระสงฆ์จะต้องอาศัยอยู่การบริโภคปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้เข้าสอนให้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภค พ, พิจารณาก่อนบริโภคห ม, มายความว่าจะบริโภคข้าว หรือเครื่องนุ่งห่มหรื อ, อยารักษาโรคหรือเสนาสนะต้องให้พิจารณาไปก่อนเข า, าพิจารณาก่อนเนี่ยก็คือผู้บริโภคนั้นจะต้องไม่บริโภคด้วยความงมงายหรือด้วยความโลภด้วยความรุ่มหลงเช่นอย่างจะตักอาหารใส่ปากต้องพิจารณาก่อนว่าอาหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็สวยสดงดงามดี แต่ถ้าตักใส่ปากแล้วเราใช้ฟันเบื้องล่างเบื้องบนเคี้ยวกันใช้ลิ้นตวัดไปมาอาหารอันดีเช่นนี้ก็จะแปลสภาพเป็นของน่าเกลียดซึ่งไม่เหมือนไม่ต่างอะไรกับอาหารของสุนัขที่อยู่ในรางถ้าหากว่าเราคายอาหารอันนี้ออกจากปากเราก็จะตักใส่ปากอีกไม่ได้เพราะเป็นของปฏิกูลเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อความสวยงาม ไม่ใช่เพื่อบำรุงบำรเปราคาราคะแต่เราบริโภคอาหารเหล่านี้เพื่อให้อัตภาพเนี่ยเป็นไปอยู่เพื่อเราจะได้ปฏิบัติกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปคือมุ่งที่จะให้อัตภาพเนี่ยเป็นไปเท่านั้นไม่ใช่มุ่งเพื่อความมัวเมาไม่ใช่มุ่งเพื่อที่จะบำรุงบำรเรอตอนเองให้เป็นสุขแต่ว่าเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่ได้โดยที่ไม่เกิดความระบากจนเกินไปอย่างเนี้ เรียกว่าพิจารณาก่อนแล้วก็บริโภค <c oughs> แม้จะจับผ้าขึ้นมาห่มเช่นจีวรก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเราห่มชีวรเนี่ยเราไม่ใช่ห่มเพื่อความสวยงามาเพราะชีวรเนี่ยสีสวยแล้วเราก็ห่มเพื่อความสวยงามไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราห่มเพื่อกันความร้อนความหนาวเหลือบยุงเพื่อป้องกันความวิกฤวิกาต่างๆแล้วเราก็นุนห่ม พิจารณาก่อนและผมอย่างนี้เรียกว่าปฏิญาสันนิษฐานสิงแม้ยารักษาโรคก็เหมือกันก่อนที่เราจะฉันยาเพื่อบรรเทาอาภาษณต่างๆก็ต้องพิจารณาว่าเราฉันเพื่อบรรเทาอาภาษให้หายไปไม่ใช่ฉันเพื่ อ, อย่างื่นเราจะนั่งจะนอนที่ไหนก็ตามเราก็ไม่ใช่นั่งนอนเพื่อบริโภคความผาสุกแต่เราอาศัยว่าให้เรา ไ, ได้พักผ่อนร่างกายไปท่านั้น ไม่ใช่มุ่งที่จะอยู่ในที่อันรูราใหญ่โตโอโทงแต่ว่าเราอยู่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติสมณธรรมการพิจารณาปัจจัยสี่อย่างนี้และบริโภคเรียกว่าปัจจิยะสัมณิตาสี่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาก่อนและบริโภคท่านก็บอกว่าอย่างบริโภคเหมือนกับคนเป็นหนี้ที่บริโภคเหมือนคนเป็นหนี้นี่ก็คือ จะต้องไปใช้หนี้เขาใช้หนี้บุคคลที่นำอาหารนี่มาถวายถ้าไม่พิจารณาแนละ้ะาบอกบริโภคอย่างเนี้ยเหมือนกับบริโภคอย่างคนที่เป็นหนี้ซึ่งการบริโภคเช่นนั้นนะ่ะไม่เป็นประโยชน์หรือบางทีก็บริโภคอย่างคนที่เป็นขโมยก็หมายความว่าประสองค์องค์ใดที่เป็นผู้ทุกศีลินแล้วก็บริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมือง ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นขโมยหรือเป็นโจรไปปล้นาศาสนาอะไรนองนั่นซึ่งการบริโภคนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ถือว่าเป็นเป็นการไม่พิจารณาถึงปัจจัยสี่สกอนและตัวเองริงจะบริโภคปัจจัยสี่นั้น <c oughs> ในปาริสุทธ่สินสี่ข้อดังที่ได้บรรยายมานี้เป็น สีนในพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดอยู่สำหรับด้านการปฏิบัติสินเหล่านี้ไม่มีบัญญัติไว้ในพระปาติโมกข์แต่ว่าโดยมัญญาของพระสงค์ที่ดีแล้วก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปฏิบัติของพระสงฆ์โดยเฉพาะที่พิเศษออกไปจากศิน221อันเป็นศินที่มีมาในพระปาติโมกข์แต่ว่าอันนี้เป็น เป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับพระที่ท่านต้องปฏิบัติใหพิเศษออกไปจากที่มีศินสองร้อยยี่สบเจ็ดหากว่ารูปใดที่ปฏิบัติได้เป็นบาิสุทธิ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความผ่องแผ้วแห่งสินถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้สินก็ไม่ผ่องแผ้วเมื่อศินไม่ผ่องแผ้วก็ไม่เป็นทางที่จะพ้นไปจากชาติรามอรณ หรือไม่พ้นไปจากความทุกข์ที่เราเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะบุคคลที่จะพ้นจากชาติชรามรณะได้ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การทําศีลให้บริสุทธิ์นั้นหรือทําศีลให้มีการออกแผ้วนั้นท่านตร่าว่าถ้าสมมติว่าเราร่วงติกขาบทข้อใดข้อหนึ่งไปเราจะต้องทําสิขาบทที่ร่วงไปนั้นนะกลับคืนมาเราจึงจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ นี่หมายถึงว่าปิขาบทที่พอจะแก้ไขได้คือเมื่อล่วงไปแล้วเราก็ทําคืนอย่างพระร่วงอบัติก็ไปปรงอบัติเสียการปรงอบัติเนี่ยก็เป็นการทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตนหรือสาธุชนทั้งหลายที่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดเป็นมิจฉาชีพเราก็ไปสารภาพผิดกับผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้ ว่าเราเลี้ยงชีพอย่างนั้นไม่ดีต่อไปนี้เราจะไม่เลี้ยงชีพอย่างนั้นดีเช่นอย่างคนที่เลี้ยงชีพโดยการขโมยหลอกลวงบุคคลอื่นเพื่อเอามาเลี้ยงชีพของตนเอ ง, องนี่ตี้งกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ที่ไม่สมควรแล้วก็ถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นเป็นวิจาอาชีวะ็นการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเช่นอย่าง มิจฉาวามิชาเนี่ยท่าสอนว่าอุบาสิอุบ า, ออบาสิการไม่ควรค้าหรือไม่ควรหาเลี้ยงชีพเช่นการค้าขายสารราวุธค้าขายยาพิษค้าขายสักว์เป็นๆค้าขายมนุษย์การค้าขายในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดให้เว้นเสียอย่าไปเลี้ยงชีพอย่างนั้น หาวาเรียนชีพเช่นนั้นแล้วก็ทำให้ศีลของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกไม่เกิดผลเกิดประโยชน์แต่อย่างใดพุทธศาสนิกชนจะต้องเว้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปเสียนี่เป็นเรื่องของศีลในข้อที่ว่าศีลเนี่ยมีกี่ประเภทตมาได้บรรยายมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าศีลเหล่านี้มีประโยชน์แก่การปฏิบัติ สำหรับท่านสาธุชนและพระสงค์อย่างไรบ้างความจริงได้บรรยายโดยสังเกตเท่านั้นถ้ากล่าวโดยพิจารณแล้วก็ยังมีมากมายที่ท่านได้สัดไว้ในในคำภีพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านพุทธโกสาจารย์ท่านก็รวบรวมมาไว้ในคำภีพิสุทธิมรรคนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์มากต่อการประพฤติปฏิบัติของสาธุชนโดยทั่วไป ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับศีลอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทุดงเรื่องทุดงนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าสาวผู้ชนส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าทุโดงนี่คืออะไรเห็นพระแบกปศก็เรียกว่าพระทุดงพระไปปัดกรอบอยู่โคนต้นไม้ก็เรียกพระทุดง บางทีเราจะเห็นพระท่านมาปากรดในท้องสนามหลวงก็มีซึ่งคำว่าทุดงเนี่ยคืออะไรแม่แล้วก็พระพุทธองค์สอนให้ทุดงเพื่ออะไรจะได้เอามาบรรยายให้ท่านได้เข้าใจในวันอาทิตย์หน้าต่อไปอท่านสาวุชวนทั้งหลายในวันอาทิตย์นี้การบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง คำที่สุดบางเขนหรือแถวประขนงเหล่านี้ซึ่งาภาพต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของทุดงก็มีมากและโดปกติแล้วสาธุชนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของทุดงก็มักจะคิดว่า พระที่ท่านเดินทางมาหรือท่านทุดงมานั้นท่านคงจะมีอะไรติดย่ามมาบ้างและบางทีก็เข้าใจว่าพระทุดงเนี่ยท่านบอกหวยแม่นบางทีก็ไปขอหวยท่านบ้างซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเวลาพระทุดงปักกรถที่ไหนสาธุชนก็จะไปแวดล้อมเต็มไปหมดเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเจะคะงวดหน้านี่ออกอะไรบ้าง ส่งดินสอส่งสมุดให้หลวงพอ่อจดให้เสร็จอย่างนี้ก็มีบ่อยๆฉะนั้นเรื่องของทุดงนี้อรตมมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าคืออะไรกันแน่ทุดงนี้เกิดขึ้นความจริงแล้วพุทธประสงค์นั้นก็มุ่งที่จะให้พระสงฆ์ออกจาริกไปเผยแผ่พระธรรม เดิมทีเดียวภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดตรัสรู้แล้วใหม่ๆในภาษาแรกก็จำภาษาอยู่ที่ปลายสิทปัตนามรุคายาวันหรือที่สารนาฏจากนั้นก็ได้โปรโดเบญจวัคคีได้สาเร็จมรรคผลและก็ะโปรดยพยาศะพร้อมด้วยพระสหายอีกหกสิบรูปในปีแรกมีพระอาหารเกิดขึ้นในโลกทั้งหมด 60รูปด้วยกันจำนวนพระอราหันต์ทั้ง60รูปนี้เป็นพระอราหันต์ที่เพิ่งจะได้การบรรพชาปู้สมบทเป็นพระภิกษุเพียงพรนษาเดียวหรือเป็นพระนวากะก็ว่าได้ในปีแรกนั้นพระพุทธองค์ได้วางรากฐานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้นโดยอาศัยกําลังพระสงฆ์จำนวน60รูปนี้ ให้จาริกไปในท้องถินต่างๆแล้วก็ได้ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพียงสายหนึ่งหนึ่งรูปเท่านั้นไม่ควรไปทางเดียวสองรูปทางหนึ่งควรไปเพียงรูปเดียวแล้วกระหัรนหกสิบรูปก็แยกย้ายกันออกไปทาง น, นหนึ่งรูปออการจาริกไปในครั้งนั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์สามประการ คือหนึ่งจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่ใหญ่ในบาลีใช้คำว่าพระหุชนะอิตายะจงจาริกไปเพื่อความสุขแก่ชนหมู่ใหญ่คือพระหุชนะสุ ข, ขายะจงจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกที่เรียกว่าโรกานุกรรมปายะนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการจาริกไปเผยแพรปพระธรรมของพระสงฆ์ในชุดแรกที่สุด การจาริกเป็นในครั้งนั้นก็เหมือนกับการจาริกในสมัยนี้คือเดินไปได้วยเท้าเปล่าเพื่อไปสงเคราะห์แก่ชาวโลกตามหลักสามประการก็คือไปเพื่อเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามตลอดจนชี้ทางสวรรค์และนิพพานให้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษา วันออกพรรษาของปีทุกๆปีก่อนที่พระสงฆ์ท่านจะจาริกออกไปเผยแพร่ธรรมนี้ท่านจะต้องทําปวรณากรรมก่นกอนปวารณากรรมก็คือการว่ากล่าวตัดเตือนซึ่งกันและกันหรือการยอมตนให้ว่ากล่าวว่าถ้าหากว่าตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เราอยู่ร่วมกันที่จําพรรษาร่วมกันมานี้ ข้าพเจ้าก็ดีหรือท่านก็ดีได้ทําอะไรผิดพลาดล่วงเกินซึ่งกันและกันขอให้ท่านทั้งหลายจงมีเมตตาว่ากล่าวตักเตือนเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้ดีขึ้นต่างฝ่ายต่างก็จะต้องภาวณาตนให้ซึ่งกันและกันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขจัดความบาดหมางความพลางแพงใจที่เราอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามเดือนแล้วจากนั้นท่านจึงจ่าลิกออกไปเผยแพร่ อวารณากรรมนี้ก็เพื่อให้ประสงค์ทั้งหลายได้อยู่กันอย่างผาสุขแม้จะจากกันก็จากกันไปอย่างเป็นสุขไม่เป็นศัตรูต่อกันออการจาริกไปเผยแพร่อย่างเนี้ยเป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครั้นมาในสมัยหลังเช่นอย่างสมัยปัจจุบันนี้พอออกคำสา เราจะพบว่าพระสงฆ์ท่านก็ไม่เคย อ, อยู่ติดวัดที่ไม่อยู่ติดวัดนี่เพราะว่าท่านจะต้องออกจาริกเหมือนกันบางท่านก็เตรียมกรดเพื่อออกเดินธุดงไปยังสำนักต่างๆหรือไม่เะนั้นก็ไปเยี่ยมเยียนพระสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกบ้างไปเยี่ยมญาติโยมบ้างอะไรทํานองนี้ก็ท่านก็เตรียมกรดเตรียมบาตรเดินจาริกการจาริกไปอย่างนี้ เราอาจจะคิดว่าอันนั้นน่ะคือการเดินทุดงซึ่งก็ยังไม่ถูกไม่ใช่หมายความว่าพระแบกกรดเดินแล้วก็จะเป็นทุดงเสมอไปเรื่องของทุดงนี่เป็นเรื่องที่จะต้องสาเร็จด้วยการสมาทานถ้าไม่มีการสมาทานหรือตั้งเจตนาปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ไม่จัดว่าเป็นทุดงถ้าหากว่าแบกกรดเดินไปเฉยๆเนี่ยไม่เป็นทุดง การเดินไปในปัจจุบันนี้บางท่านก็เดินไปเพื่อเผยแพร่พระธรรมจริงๆไปเพื่ออนุเคราะห์ต่อสาธุชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่กันดาลเมื่ออนุเคราะห์ที่นี่แล้วก็จาริกไปหมู่บ้านอื่นต่อไปอีกมีมีทำกันในในลักษณะเช่นดังกล่าวนี้แต่ว่ามีน้อยส่วนมากแล้วในสมัยที่ ประชาชนนิยมเลื่อมส่พระธุดงค์เนี่ยก็มักจะเข้าใจเรื่องพระทุดงค์ในทางที่ผิดๆแม้ะมาเอกสมัยเป็นเด็กก็เคยเข้าใจผิดแล้วก็เลื่อมสายพระทุดงค์อยู่รูปหนึ่งจำได้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กยังเรียนหนังสืออยู่พระธุดงค์มาปักกรดที่หน้าสนามโรงเรียนก็นึกดีใจว่าวันนี้ต้องไปกราบของพ่อสักหน่อย เป็นนี้ให้สอบไร่ได้เสร็จแล้วก็ไปขอลูกอมหลวงพอ่อท่านก็เอาเทียนของท่านเนี่ยปั้นเป็นลูกอมกลมให้ให้มาลูกหนึ่งเราก็กราบกลานพราแม่เนี่ยเป็นของวิเศษเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านไปฉันที่บ้านบางังไปเฝ้าปรนิบัติต้มน้ําถวายท่านบางังหาโอเลี้ยงไปถวายท่านบางังปรนิบัติอยู่อย่างเนี้ยเจ้าแมนทา้าทุดงไม่ยอมทุดงต่อไป ยึดสถานที่ เ, เป็นที่ประจําเราก็กนดีบัดวัดถากันเต็มที่อย่าเป็นเด็กนี่ศรัทธาห น, <c oughs> นักๆเข้าหลวงพ่อตอนินเย็นบอกอยากจะฉันเล่า <c oughs> เอาพอบอกจะฉันเล่าเราเอ๊ะพระฉันเล่าได้เนอะเนี่ยตอนินเย็นเนี่ย <c oughs> ถ้าบอกท่านอยากเจะฉันเล่าโนวดคราวท่านก็ไม่โกนไอตเราก็เลื่มสายว่าแม่พระท่านเคร่งผมจีวรสีองงัตอมาห่มอย่างเนี้ย สีกลัดเสร็จแล้วก็ก็ไปถามพระที่วัดบอกพระฉันเล่าได้หรือเปล่ามีพระอาวุโสมากอยู่องค์หนึ่งซึ่งสมัยอาตมาอายุเก้าขวบสิบขวบเนี่ยก็ไปนวดให้ท่านทุกวันนะแ่ะเพราะว่าท่านมาักจะเก็บขนมไว้ให้เราตอนเย็นเย็นอยู่เสมอพอโรงเรียนเลิกสขมักจะชวนเพื่อน